ต้นทุนชีวิตได้มาจากกรรมที่ทําไว้ต้นทุนชีวิตในชาตินี้ได้มาจากกรรมเก่าในชาติก่อนต้นทุนชีวิตในวันนี้ได้มาจากกรรมใหม่ในวันที่ผ่านมาเปรียบเทียบคนกับคนเราบอกได้แต่ว่าต้นทุนชีวิตของเราแตกต่างกันแต่ทําไมถึงต่าง แล้วใครเป็นผู้รับผิด ช, ชอบอันนี้เป็นคำถามระดับโลกที่ก่อให้เกิดศาสนาขึ้นมาได้ต้นทุนคืออะไรต้นทุนคือรูปร่างหน้าตาฐานะเพศและสมองและโอกาสละ่ะคือต้นทุนด้วยหรือเปล่าปัจจุบันแต่ความเชื่อได้เป็นสามฝ่ายใหญ่ ฝ่ายแรกเชื่อว่าโอกาสได้มาจากความบังเอิญอันนี้เชื่อได้ง่ายที่สุดเป็นอัตโนมัติที่สุดคนยุคไอทีอยากเถียงด้วยน้อยที่สุดแต่จะอยากให้เสียงสนับสนุนมากที่สุดฝ่ายที่สองเชื่อว่าโอกาสได้มาจากดวงเดาวความเชื่อนี้เกิดจากหลักฐานที่หมอดูบางคนแค่ดูมุมดาวก็บอกได้เป็นฉาก ระบุได้เป็นชั่วโมงเป็นนาทีว่าชีวิตใครกำลังจะต้องเผชิญกับอะไรแม่นเป๊ะฝ่ายที่สเชื่อว่าโอกาสได้มาจากมนุษย์เองความเชื่อนี้เกิดจากหลักฐานที่หลายคนสามารถพลิกชะตาจากที่เคยตกอับอยู่ก้นเหวขึ้นมาลอยเด่นบนวิมานเมฆเพียงกพระตัดสินใจจะวิ่งไปหาโอกาส ไม่ใจรอให้โอกาสวิ่งมาหาตัวเองในทางพุทธท่านให้ตัดความเชื่อแรกทิ้งไปไม่มีสิ่งใดบังเอิญมีแต่เหตุผลที่คนไม่รู้ความเชื่อที่สองเกี่ยวกับโหราศาสตร์ทางพุทธไม่ได้รับรองไว้เป็นกิจจลักษณะแต่มีปรมาจารย์ทางโหราศาสตร์ไทยเช่นอาจารย์เทพสาริกบุตร เคยเชื่อมโยงเรื่องดาวไว้กับเรื่องวิบากกรรมโดยเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกยกเป็นตัวตั้งแต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีลูกศิษย์ท่านพูดถึงซึ่งถ้าทำดีๆโหราศาสตร์อาจกลายเป็นคําอธิบายทางพุทธที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนชีวิตจากวิบากกรรมนั่นเพราะพุทธเราชี้ไว้ชัดว่าวิบากกรรมเก่าออกแบบชีวิตเราไว้หมดแล้ว ดังเช่นในวิชยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีทิพยาจักขุกย่อมทราบด้วยตนเองอดีตชาติมีจริงและสัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมอันเป็นสุจริตและทุจริตทั้งหลายนั่นเองจำแนกสัตว์ให้ได้ไปอุบัติในภพเลวหรือปราณีตอุบัตแล้วผิวพันดีหรือผิวพันสามได้ดีหรือตกยากโกราศาสตร์ เป็นแว่นซองให้แก่ผู้ไม่มีตาทิพย์ชี้ให้รู้เลยว่าเคราะดีเคราะร้ายจะเกิดเมื่อใดแต่โหราศาสตร์ก็หาผู้รู้จริงลึกซึ้งยากอธิบายความเชื่อมโยงกับวิบากกรรมยากแม้แต่อาจารย์เทพก่อนตายก็ยังบอกว่าเฉพาะแง่มุมเกี่ยวกับดวงดาวท่านก็ยังไม่รู้ตีความไม่ถูกหาคาอธิบายได้ยากอีกมาก ความเชื่อที่สามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของมนุษย์ทางพุทธให้การรับรองไว้มากที่สุดเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีเมื่อใดเลิกดีเมื่อนั้นหรือเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อค้าที่ฉลาดรู้ความต้องการของผู้ซื้อแล้วหาสินค้ามาให้ผู้ซื้อได้ก็จะเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยซึ่งก็เหมือนที่นักการตลาดสมัยนี้ได้ข้อสรุปว่า ถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายถูกเข้าไปนั่งในใจกลุ่มเป้าหมายได้รู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรและจับความสนใจเขาได้อย่างไรก็ทำของขออกมาขายได้สำเร็จทุกครั้งไปสรุปแล้วทางพุทธเราที่สอนเรื่องต้นทุนชีวิตไว้จริงทำกรรมไว้แค่ไหนก็ได้ต้นทุนชีวิตไว้แค่นั้นแต่ท่านก็ตีกรอบไว้ด้วยว่า เชื่อเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวก็ผิดเชื่อเรื่องกรรมใหม่อย่างเดียวก็ผิดต้องเชื่อทั้งเรื่องกรรมเก่าและกรรมใหม่ประกอบกันจึงจะได้คำอธิบายที่ครอบคลุมชัดเจนไม่ต้องมีข้อสงสัยคาใจด้วยประเด็นปลีกย่อยใดๆอีกเช่นท่านให้มองว่าแค่จะต้องเกิดกับพ่อแม่คู่ไหนกรรมเก่าก็เริ่มทางานแล้วกรรมเก่าเป็นคนเลือกคัดจัดสรรให้แล้ว ถ้าชีวิตก่อนทำดีไว้มากกว่าร้ายก็ได้มาเกิดในท้องมนุษย์แต่ถ้าที่ทำดีนั้นดีจริงจากใจมากพอก็ได้ชะตาชีวิตที่ทำให้รู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยมีสิทธิ์ได้ดีมากกว่าตกยากนอกจากนั้นท่านที่มองว่าเมื่อเริ่มรู้ความเริ่มมีสิทธิ์คิดอ่านเป็นตัวของตัวเองกรรมใหม่ก็เริ่มทางานแล้ว หากห้ามใจจากสิ่งยั่วยุชั่วร้ายขยันช่วยโอกาสทำดีคว้าโอกาสดีหรือกระทั่งสร้างโอกาสดีกับมือก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกรรมใหม่เป็นประโยชน์เป็นผู้ถือเอาประโยชน์เป็นเริกของประโยชน์สะสมต้นทุนใหม่ไปเรื่อยๆอย่างมีสติมิใช่ใช้ทุนเก่าจนหมดโดยมิรู้ตัว